การเกิดขึ้นการเพิ่มขึ้นของธรรมะก็ดีของกิเลสก็ดีก็ล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องของประสาทสัมผัสที่ผ่านมาทางตาหูจมูกลิ้นกายและเก็บสะสมไว้ภายในใจดังนั้นจะเห็นได้ว่าความคิดเพิ่มกิเลสก็ดีเพิ่มธรรมะก็ดีมาเกิดมาจากใจ แต่ใจก่อนที่จะไปคิดเช่นั้นได้มันก็อาศัยการรับมาทางประสาทสัมผัสใจหรือจิตที่ทําหน้าที่รับทําหน้าที่เก็บทําหน้าที่คิดและทําหน้าที่รู้สิ่งเหล่านั้นจึงอาจจะเป็นเพิ่มหรือลดกิเลสก็ได้ตามสมควรแก่กรณีของการมีสติมีสัพพัญญะหรือมีความเพียรมากน้อยแค่ไหนเพียงไร หากว่าสติสัมปชัญญะมีมากพอแม้สิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ก็สามารถคิดจะเกิดประโยชน์ได้หรือสิ่งที่เป็นกลางกลางก็คิดให้เป็นประโยชน์ขึ้นมาได้ตอนนั้นจะเห็นได้ว่าผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติธรรมะเมื่อเรามองไปที่ตัวกระตุ้นในคิดบางอย่างก็เป็นเรื่องของสภาวธรรมที่เป็น ก, กลางกลง เป็การเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายและส ม, มณะของพระโพธิสัตว์ความแก่ความเจ็บความตายเป็นเรื่องของสภาวธรรมที่มีอยู่ตั้งแต่โลกมีสิ่งมีชีวิตแล้วแม้แต่โลกเองก็ตกอยู่ในสภาพแก่เจ็บตายเพียงแต่ท่านเรียกว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเท่านั้นเองคนทุกคนได้พบเห็นเรื่องเหล่านี้เพียงแต่ว่าได้คิด ให้ลึกลงไปจนสามารถที่จะเกิดความประตุลิรนที่จะหลบตัวเองให้รอดพ้นจากความแก่ความเจ็บความตายไปหรือไม่แต่นั้นเด็กหือบางครั้งบางคราวเป็นการเห็นคนที่ประสบความทุกข์ความเดือดร้อนหึืออาจจะเป็นคนที่เป็นนักโทษถูกจองจำด้วยคือคือคือตวน คือคาใดต่างๆโซ่วนคือคาต่างๆตลอดถึงได้ศึกษาเรื่องของเปรตเรื่องของสัตว์นรกที่จริงสิ่งเหล่านั้นเป็นเรื่องของผลของบาปอกุศลที่เกิดขึ้นมาจากประชาตสัมผัสเขาแล้วก็อยู่ภายในจิตสะสมเป็นความคิดก่อให้เกิดการกระทำการพูดซึ่งเป็นไปด้วยแรงของกิเลส จิต ใ, ใจก็จะมีความขุดหมูวศ้ามองมากยิ่งขึ้นการกระทำก็เป็นบาปทุจริตมากยิ่งขึ้นในปัจจุบันเขารับผลจากการกระทำชั่วําผิดเหล่านั้นด้วยการถูกจับกลุ่มกลุ่มขังจองจำอย่างสมัยโบราณนี่ลักษณะที่รุนแรงเห็นได้ชัดแม้แต่นรกที่จริงก็เป็นผลต่อเนื่องไปจากความชั่วที่ได้ทำไว้ในชาตินั้น แล้วเวลาพระพุทธเจ้าทรงแสดงเรื่องเหล่านี้ก็จะจับที่ตัวผู้เสวยทุกข์ผู้เสวยสุขแต่เราตั้งปัญหาถามว่าทําไมจึงเป็นเช่นนี้มันก็ย้อนเข้าไปสู่อดีตอดีถ้าเรื่องนักโทษบางทีก็อดีตใกล้ๆแต่คนที่ตกนรกคนนี้เกิดเป็นเปรตเป็นอดีตไกลๆหรือความพบความชาติไปและสิ่งเหล่านั้นก็คืออกุศล ซึ่งมีการคิดมีการทำมีการพูดแต่ตำแรงของอกุศลล่านั้นมันก็เป็นบาปเกิดขึ้นแล้วในขณะนั้นพ้ น, นพคนมองเห็นโทษเหลอานี้ก็เพียนพยายาที่จะหลีกหนีให้ตัวเองหลุดรอดจากอย่างน้อยก็หลุดพ้นจากนารกซึงพระเจ้าก็ทรงแสดงทางในการปฏิบัติเอาให้ หมาความม่าถ้าปฏิบัติประพฤติปฏิบัติได้ตามที่ทรงแสดงก็จะหลุดรอดจากความทุกขระดับการเป็นนักโทษและการต้องตกนรกแต่ในขณะเดียวกันแม้พบชาติจะประนีขึ้นไปดาบใดที่ยังเป็นบอยังเป็นชาติดาบนั้นก็แสดงว่ายังมีกิเลสเพราะกิเลสเป็นเหตุให้เกิดพบชาติอย่างที่ทรงแสดงไว้ในรูปของปัจจัยาการ ปฏิจจสมุปบาทที่ว่าตัณหาเป็นปัจจัยเกิดอุปาทานอุปาทานปัจเจกเกิดพบพบเป็นปัจเจกเกิดชาติเราจะเห็นว่าเอาจริงตัณหาไม่จะไปดิ้งดิ้งมันจะเกิดขึ้นมาได้มันเกิดมาจากอะไรเกิดมาจากเวทนาคือการสวยอารมณ์สุขบ้างทุกบ้างไม่ทุกไม่สุขบ้างทาเวทนาเกิดขึ้นเฉยเยได้หรือไม่มันก็ไม่ได้แก่ เวทนานั้นเกิดขึ้นมาจากสัมผัสคือการกระทบกัน ร, ระหว่างอายตนะภายในภายนอกเกิดตายรูปเป็นจนก็เกิดกำหนดอารมณ์หล่ดนั้นการกำหนดนั้นจะกาหนดได้เกิดกิเลสหรือเกิดธรรมะหรือเกิดเฉยๆก็ได้และเราก็เคยมีประสบการณ์ในเรื่องนี้กันมาทุกคนไม่ใช่ครั้งเดียวแต่เป็นหมื่นๆครั้งนแสนครั้งทักษณะของอารมณ์ที่กระทบในแต่ละคราว ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของความวางเฉยส่วนหนึ่งก็จะเกิดความรักความชังพอเกิดความรักความชังไม่จะพอใจในสิ่งที่ตนรักไม่ชอบใจในสิ่งที่ตนชังอาการเหล่านั้นก็เป็นอาการของเวทนาก็จะเกิดตัณหาในส่วนที่เราชอบเกิดวิภาวะตัณหาในส่วนที่เราชังและสุดก็กลายเป็นการยุติก็กลายเป็นอุปาทาน ในขณะนั้นเองมันก็สร้างพบขึ้นภายในจิตเป็นความอยู่ความมีความเป็นขึ้นภายในจิตด้วยกรณีผู้สังเกตว่าจะเรามีตําแหน่งหน้าที่การงานอะไรอย่างหนึ่งเรารับเลื่อนในหน้าที่ตําแหน่งการงานเหล่านั้งมันกลายเป็นอุปท า, านคือยึดติดว่าเราเป็นอย่างนั้นแต่ถามดูว่าเป็นจริงๆหรือเปล่าตัวเป็นนั้นที่จริงมันเป็นสมมติเอา พอต่อไปเราก็ไม่ได้เป็นเราเริ่มมาจากไม่ได้เป็นแล้วเราก็ได้ความเป็นจากความเป็นก็ไปสู่ความไม่เป็นแต่เพราะว่าใจมันมีตัณหาก็อเกิดอุปาทานมันก็สร้างภพขึ้นภายในใจในความรู้สึกว่าเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้เราเป็นอย่างนั้นและตรงนี้มันก็หมุนกลับเข้าไปสู่ความเกิดคือรู้สึกว่าเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้ ถ้าใครยอมรับชื่นชมกับความเป็นของเราเราก็เพิ่มกิเลสสายโลภะขึ้นหรือเพิ่มการตัณหาภาวะตัณหาขึ้นถ้าใครปฏิเสธความเป็นไม่ยอมรับความเป็นของเราเราก็เกิดโทสะหรือเกิดอย่างน้อยก็เกิดปฏิฆะมันแสดงว่าจิตใจมันก็หมุนวนแต่พระรสสาวกลับไปว่าตัวสัมผัสเองมันเกิดขึ้นมาลอยๆหรือเปล่าก็เปล่า การกระทบนั้นที่จริงเราต้องมีอายตนาภายน์ภายนอกเชะนตาบอดเราก็เห็นรูปไม่ได้เพราะฉนั้นจักู่สัมผัสก็จะเกิดขึ้นมาไม่ได้หูหนวกเรา ย, ยินเสียงไม่ได้บางการสัมผัสทางหูมันก็เกิดขึ้นไม่ได้ก็แสดงว่าเราต้องมีอายตนาภายนภายอกเมื่อมากระทบกันจะเกิดเป็นความรู้แต่ความรู้นั่นเองเราเรียกว่าสัมผัสสัมผัสแล้ว มันก็มีชอบไ ม, ม่ชอบก็หลายก็สูเวทนาในสุดมันก็บุญวุนกันอยู่อย่างนี้เพราะบางครั้งบุคคลในพระพุทธศาสนาพระเจ้าทรงประทานชื่อประทานนามสถานะของเราแต่ละคนชนชาชนทั้งหลายพระเจ้าเรียกว่าอุบาสก ป, ปัสิกามีข้อที่น่าสังเกตว่า พระธรรมเทศนาที่ทรงแสดงนั้นไม่ได้เรียกอุบาสกปสิกาเสมอไปไเรียกดูก่อนพราหมขรหบดีทั้งหลายดูก่อนมหาราชทั้งหลายสแสดงว่าคนเหล่านั้นยังไม่ประกาศตนเป็นพุทธศาสนิกชนพระเจ้าก็ใช้คําเหล่านั้นแล้วคนใดที่ประกาศตนเป็นพุทธศาสนิกชนกล่าวพุทต่างสนังกระฉามีเป็นต้นมาแล้วเนี่ยก็จะเรียกอุบาสกปสิกา วสุกบาสิกาก็เป็นการกระตุ้นเตือนเป็นชื่อที่เสริมสร้างสํานึกให้เกิดจิตสํานึกและกระตุ้นให้รักษาสถานภาพตนนั้นเอาไว้วสุกบาสิกาแปลว่าผู้ใกล้ชิดพระรัตน์ใจ ห, หรือผู้นั่งใกล้พระรัตน์ใจคําว่าใกล้นั้นก็คืออาเสวนปัจจัยการคบหาสมาคม ซึ่งทรงแสดงว่าบุคคลคบกับคนเช่นใดก็จะเป็นอย่างคนเช่นนั้นก็ทรงเน้นให้คบหาสมาคมกับบัณฑิตเมื่อบุคคลใกล้ชิดพระตนตรัยคบหาสมาคมกับพระตนตรัยมันก็ต้องปะยางสัมผัสคุณของพระตนตรัยโดยการเพิ่มพูนปัญญาเพิ่มพูนความสุดเพิ่มพูนความเมตตา ก, กุณาขึ้น แล้วก็ส่งแสดงเกณฑ์มาตรฐานของความเป็นบากุกบาสิกาเอาไว้แต่เราเห็นว่ามาตรฐานเบื้องต้นเป็นเรื่องของศรัทธาโดยแสดงคุณสมบัติที่ทรงใช้คําว่าอุบาสกอุปาสการัตนาะอุบาสิการัตนาะแปลว่าศกแก้วอุปัสกาแก้วคือสุดยอดของอบาสุกประกอบด้วยคุณธรรม 5ประการแต่ที่จริงแล้วตัวหลักก็มีเพียงประการเดียวคือศรัทธาจะต้องมีความเชื่อมั่นในคุณของพระรัตนตรัยหมายความว่าอย่างไรใจมันก็มีฐานคือความเชื่อที่ยังลงมั่นคงในพระรัตนตรัยเพราะเรื่องศาสนาบางระดับนั้นเรายัางไม่ถึงเพราะไม่ถึงเวลาซึ่งก็ตำนองคล้ายๆกับ เราจะไปเที่ยวในที่ใดที่หนึ่งแล้วก็มีคนเล่าถึงความสวยงามของสถานที่นั้นๆว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นตอนนี้เราใช้ปัญญาไม่ได้เพราะมันยังไม่ถึงเราต้องใช้ศรัทธาไปก่อนคือเชื่อตามที่ท่านบอกไว้แต่พอเราไปถึงสถานที่นั้นเห็นจริงตามที่ท่านแสดงไว้มันก็เพิ่มขึ้นทั้งส่วนศรัทธาและก็ส่วนของปัญญาเราจะใช้อะไรนำก็ได้เมื่อมีสัมผัสตรงแล้ว พะธรรมะทั้งสองข้อนั้นอำนวยผลได้สูงสุดด้วยกันแล้วก็อิงอาศัยถึงกันได้กันเมื่อเราศรัทธาก็สมาทานศีลมีศีลสงชัยก็บอมีศีลมีศรัทธามีศีลศีลเป็นเรื่องของความตั้งใจเจตนาิวัางดเว้นในมองเห็น โทษของการไม่มีสินคุณของการมีศิลที่จะรับในขณะนั้นๆและในขณะต่อๆไปซึ่งหมายความว่าคนสมัครใจเชื่อระดับใดก็ได้ ม, มันก็คุ้มครองตัวเองได้อย่างถ้าอนิสงส์ศีลที่สมาทานไปแล้วว่าศีเลนสุกติอย่างติบุคคลจะเข้าถึงสุกติได้ก็เประสิทธิ์ซึ่งหมายความเป็นผลที่จะสัมผัสได้ในขณะนั้นๆด้วยและเป็นผลที่จะสัมผัสในชาติพบต่อไปด้วย สิเละโภกสัมปทาบุคคลจะสมบูรณ์โดยพวกกสมบัติได้ก็เพราะศีลเราเชื่อมั่นในจุดนี้เราต้องการพวกกสมบัติเพราะศีลเป็นเหตุแม้จะไม่เชื่อเรื่องชาติหนาเรื่องนรกสวรรค์มันก็สามารถที่จะให้รักษาศีลได้บุคคลที่สำราญความพอใจในภพชาติต่างๆปัจจึงการเกิดบ่อยๆก็คือทุกบ่อยๆทุกซ้ำๆ้ำซากซ ทุกแล้วทุกอีกญาติที่พระเจ้าส่งลึกย้อนดูชีวิตของพระองค์จากที่ผ่านมาในสังสารวัตด้วยบทเพลงวสาติญาณแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรก็มีแต่ก้อนทุกข์มันหมุนไปเป็นไปถึงรับสั่งเป็นพระุทธานว่าเราเมื่อสแสวงหาอยู่ซึ่งในช่างคือตนาผู้สร้างเรือในท่องเที่ยวไปในสังสารวัตเป็นนั้นมาก ต้องเกิดบ่อยๆแล้วก็ต้องทุกข์บ่อยๆจึงรับสั่งในขณะนั้นว่าดูกรในในช่างคือตานาวผู้สร้างเรือนบัดนี้เราพบตัวจเจ้าแล้วเจ้าจะสร้างเรือนเกิดตภาพกับเราต่อไปไม่ได้อีกแล้วพเพราะอะไเพระอุปกรณ์ทั้งหมดในการสร้างอัตภาพคือชีวิตของของเรานั้นเราทำลายหมดแล้วที่ทําลายได้ตรงไหน ทรงใช้คำว่าวิสังขาระกตังจิตตังตันหานังกยมัจฉาจิตมันปราศจากการปรุงแต่งด้วยอํานาจของกิเลสหมายความว่าจิตก็มีแต่ว่าสิ่งที่ปรุงแต่งจิตหลังจากนั้นไปก็เป็นโลกุตระกุศน์ดูในโลกแต่ไม่เกี่ยวข้องกับโลกดังที่เป็นสุบินิบิตเกิดขึ้ น, นก่อนที่จะสัรูว่า พระองค์ได้เดินลุยไปท่ามกลางกองอุจจระมหาศาลแต่ว่าสิ่งเหล่านั้นไม่แปดเพื่อนพระองค์แม้แต่น้อยตึรกะมาความพระองค์คงอยู่ในท่ามแวดวงของโลกกระมแต่ว่าโลกกระทนั้นจะไม่กระทบกระทั่งถึงพระไถยของพระองค์สุขกดีทุกกะดีไม่จะทุกไ่สุขไม่จะทุกกดีมันก็สัตว์แต่ว่า เป็นเพียงโลกธรรมเท่าทนั้นเองถึงลักษณะเหล่านี้พึงสังเกตว่าเป็นปัญญาระดับวิปัสนาปัญญาคือรู้เห็นแจ่มแจ้งชัดเจนกิเลสได้ลดลงไปจากใจจนถึงก็หมดสิ้นไปเพราะนันจึงบัญญัติเรียกนามของผู้ที่เป็นนักปวดเอาไว้พาเป็นวิกสุก็โดยพื้นฐานก็เดียวกัน หมาความมันจะต้องมีศรัทธามีศีลเหมือนกันแต่จากความเชื่อนี่เรื่องกรรมกับเรื่องสังสารวัฏเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็ยากต่อาการอย่างรู้เป็นเรื่องามจิิงใจคือไม่อาจจะรู้ด้วยการคิดเอาได้จะต้องรู้ด้วยผลของการปฏิบัติหมายความต้องเกิดญาณขึ้นมาถ้าตราบใดเราไม่มีญาณเราก็ต้องอาศัยญาณของคนอื่น ประทนาง่ายๆก็ไปในที่ใดที่หนึ่งเราไม่มีไฟฉายเราก็ต้องอาศัยไฟฉายของคนอื่นถึงเราเดินตามเข้าไปก็ เ, เป็นเช่นเดียวกันดังนั้นจึงทรงแสดงว่าเชื่อกำไม่เชื่อมงคลตื่นข่าวแต่เชื่อก ร, รมไม่เชื่อพวกเลิกพลานาทีต่างๆพวกมงคลต่างๆไม่สแสวงหาเขตบุญนอกพระพุทธศาสนาสแสวงหาเฉพาะเขตบุญในพระพุธศาสนา รัศนาการเหล่านี้เป็นสังเกตว่ามันเป็นพัฒนาการทางจิตสร้างความเปลี่ยนแปลงในทางพฤติกรรมออกมาโดยพื้นฐานจริงก็คือศรัทธาที่ยิ่งเพิ่มมั่นคงในพรตัตตนาไตรมากเท่าไหร่ใจมันจะเป็นฐานที่หนักแน่นมั่นคงเพราะว่าศรัทธาที่ตั้งมั่นเนี่ยจะให้เกิดความสําเร็จประโยชน์อีกนาะนะประกัน นอนๆคล้ายๆการสร้างอาคารใหญ่ๆใครไม่เห็นเข็มก็จริงแต่ว่าเข็มนั้นเป็นตัวการสาคัญมากอยู่ข้างล่างตถาคือเป็นช่นเดียวกันเพราะคำว่าอุบาสกปสิการจึงการเป็นการกระตุ้นเสริมสร้างจิตสํานึกให้พยายามเป็นให้ได้เป็นให้ดีแล้วก็เป็นให้เป็นในสัมผัสผลของความเป็นด้วยใจ ถึงแสดงเห็นว่าเอาก็จริงแล้วเราก็ยังมีความเป็นอย่างที่เคยเล่าให้ท่านทั้งหลายฟังว่ากิเลสประเภทมานะที่แปลความถือตัวนี่เป็นกิเลสที่ละเอียดมากว่าเป็นสังโยชน์ระดับล่างสุดเกือบล่างสุดเพราะงั้นแม้แต่พระนาคามีก็ยังมีกิเลสประเภทมานะอยู่ แต่มานมันก็ปรับทิศทางหมายความยังไงหมายความให้รู้สึกนับถือตัวเองว่าเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้แล้วพระพุติปฏิบัติให้เป็นตามที่เราได้รับการมอบหมายแต่งตั้งให้เป็นเจนตันบอกคัตยวังิติมาโนมา น, นะว่าเราเป็นกษัตริย์เพราะกษัตริย์จึงไม่ใช่สามัญชน ทุกอย่างที่กษัตริย์ทำนั้นจะต้องทําได้เหนือสามัญชนไม่ว่าจะเป็นอดกั้นเป็นอดทนเป็นความเพียรเป็นความมั่นคงภายในพระไทยเป็นต้นวิญญต้องหนักแน่นมั่นคงกว่าเพราะลักษณะอารมณ์ที่มากระทบนั้นจะมากกว่าแล้วก็มีความต่อเนื่องพอันต้องอ่อนแอหวั่นไหวไปตามอนาจของรมณ์ที่มากระทบมันก็เป็นไม่ได้ลักษณะเหล่านี้สํานวนบาลีนันเรียกว่าสัญญา เมืความเป็นจิตสำนึกสานึกว่าเราเป็นพ่อเราเป็นแม่เราเป็นครูบาอาจารย์เราเป็นอะไรนี่ยทำหน้าที่ของเราในขณะที่เราเป็นให้ดีที่แท้ก็ว่าเป็นได้เป็นให้ดีเราเป็นให้เป็นเพราะว่าถึงชื่อของสามเณรแปลว่าเหล่ากอของผู้สงบสามเนรรีก็มีลักษณะอย่างนั้น แลก็ภิกษุภิกษุณีแปลว่าผู้เห็นภัยในสังสารวัฏซึ่งก็หมายความว่าจากโลกสัมผัสที่มีการเห็นรูปฟังเสียงเป็นต้ น, นเด่นแต่ว่าเป็นการรับรู้ในแนวที่พัฒนาปัญญาหรือพัฒนาศรัทธาขึ้นไปจนนที่จุดมองเห็นภัยในสังสารวัฏ งเงพาะง้นพลยในการเวียนว่ายตายเกิดจนหาจุดจบไม่ได้ที่เรียกวาตจักรมันหมุนไม่อยู่กับที่หมุนหมุนไปเรื่อยๆจนเป็นภาพการมองที่สมบูรณ์ในสายตาของพระขันในสายพระเนตรของพระพุธทธเจ้าคือท่านมองเห็นเป็นกองทุกข์ล้วนๆที่เราเรียวกว่าทุกข์กัขันคือคงคงกอคงของทุกขัน ก, ก็คือกองทุกขก็คือทุกข์เาั้นกองของทุ ก, ทก กองทุกข์ที่เกิดขึ้นด้วยเงินไขปัจจัยตามธรรมชาติแต่ก็หมุนไปเป็นไปในความเป็นกองทุกข์นั้นก็มีเฉพาะทุกข์อย่างที่พระวชิราเทรีภิกษุณีได้กล่าวไว้ว่าทุกข์ต้นนั้นเกิดขึ้นทุกข์ต้นนั้นตั้งอยู่ทุกข์ต้นนั้นดับไปนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับสงกลามเป็นกองทุกข์ลุ่นๆแต่การมองให้เห็นทุกข์นั้น พูดง่ายแต่ว่ามองยากตอนนี้เป็นเพราะหัวต่อของโลกทางสัมผัสนั้นเมื่อเราย้อนกลับไปอีกเที่ยวหนึ่งว่าทาไมจึงมีอาญตนะเพราะว่ามันมีเกิดเป็นนามรูปขึ้นมานามรูปก็หมายว่าหมายความว่ามีชีวิตขึ้นมามันจึงเกิดเป็นอาญาตนะขึ้นทีนี้นามรูปนั้นมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นมาโดยลาพังเขา มันเกิดขึ้นมาจากสังขารคือบุญบาปและพื้นจิตอยู่ระดับที่เรียกว่าเป็นรูปวิชาก็สรุปว่าก็เกิดเหมือนกันแต่สังขารเหล่านั้นมันเป็นผลมันไม่ใช่เป็นตัวเหตุเหตุเบื้องต้นเหตุเบื้องต้นมันไปอยู่ที่ตัวอวิชาเพราะในความเป็นชีวิตจิตใจเนี่ยจึงไม่ได้มีเฉพาะวิชา คือความรู้แต่ก็มีอวิชชาซึ่งค่อนข้างมากกว่าเพราะมันเป็นตัวเกิดให้เราสังเกตว่าในโลกนี้มีสิ่งที่เราไม่รู้นั้นมากกว่าทีวิตศ์ของคนเราถ้าเปรียบเทียบเหมือนการเดินทางเราจะพายเรือไปในคลองเล็กๆมันก็เห็นฝั่งเห็นอะไรคนสัตว์ต่างๆก็รู้ได้ชัดเจนคลองมันเล็กมองซ้ายมองขวาก็ได้ พอออกเรือไปสู่แม่น้ำกลางแม่น้ำชักจุ้งภาพมันไม่ค่อยชัดพ อ, อไปสู่มหาสมุทรก็เรียบร้อยคือไม่รู้อะไรเลยเป็นทะเลเวิ้งวางห่างไกลไม่รู้ฝั่งตลิ่งมาอยู่ตกงไหนกันเพราะใ น, ในอาณาจักรของการเรียนรู้หรือแม้แต่ในโลกเนี่ยโดยสภาพจริงๆก็เป็นไปอย่างที่ท่านอาจย์ชิต มโนปราบทูลถามพระพุทธเจ้าท่านเป็นนักปราดฉลาดลึกซึ้งมากแต่เอาก็จริงก็ไปไม่ได้เพราะมันติดที่บวิชาเหมือนกันท่านถามว่าโลกคือมูสัตว์อันอะไรปิดบังเอาไว้จึงหลงหลุดอยู่ในที่มืดพระเจ้ารัสั่งว่าอวิชาเป็นความไม่รู้หรือรู้ไม่จริงเนี่ยมันปิดบังเอาไว้ถ้าไม้คนเราหลงเหมือนก็อยู่ในที่มืด ภาพของชีวิตที่กระเสือกกระสนอยู่ในที่มืดเดิ น, ป, นปีนซ้ายป่ายขวาไปเรื่อยๆคือไม่รู้จะไปทางไหนดีเพราะลักษณะของชีวิตมันก็เป็นเช่นนั้นการรับรู้อารมณ์ในแต่ละวันส่วนใหญ่เนี่ยเราจะไม่รู้มากกว่ารู้เราจึงพบความสงสัยมีทุกวันแล้วก็มีมากเป็นพิเศษพอสงสัยข้าวมันก็จะคิดมาก ดังนั้นท่านทั้งหลายได้ตรวจสอบดูจิตใจจะเป็นของใครก็ตามนะเราจะพบว่าตัววิจิกิจฉานี่จะมากแล้วออกมาเป็นรูปของความรักความชังหรือความชอบไม่ชอบที่กลายเป็นการมาฉันขยาบาัดแต่ถามว่าทําไมถึงชอบถึงชังมันก็มาจากไม่รู้อีกอะเพราะอะรเพราะถ้าเรารู้เราก็ไม่มีการชอบกันชังอะไรแคร เป็นประสบการณ์ตรงที่แต่ละชีวิตนั้นมีอยู่ยกตัวอย่างเช่นเราเดินไปในที่ใดที่หนึ่งมีคนจ้องมองเราอย่างเอาจริงเอาจังเราจะรู้สึกโกรธรู้สึกไม่พอใจแต่พอมองไปมองมาเขาก็มาสงสัยสอบถามคนนั้นใช่ไหมคนนี้ใช่ไหม แ, แนะนำตัวเขาเป็นคนนั้นคนนี้ก็กลายเป็นญาติพี่น้องเป็นเพื่อนผูงเป็นลูกหลานกันไอความรู้สึกไม่พอใจมันหายกลายเป็นความดีใจความตื่นเต้นชื่นชมยินดีบางทีก็โผล่ก็กอดกันนั่นคือภาพที่เราเห็นได้ชับเพราะจังหวัดแรกนั้นเราไม่รู้ว่าเขามองทําอะไรแต่พอเรารู้ว่าเขาเป็นใครเราก็วินิจฉัยได้เขามองทําอะไร ตัวความรู้นั่นก็จัดความไม่รู้ทั้งสองจุดจากความรู้มันก็กลายเป็นการปฏิบัติไปตามความเป็นจริงกิเลสมันหายไปไหนหายเพราะถูกความรู้มันก็จัดออกไปซึ่งก็เป็นวิจัยวิสัยธรรมชาติธรรมดาเขาเป็นอย่างนั้นดังนั้นการรับรู้อารมณ์ในแต่ละวันส่วนหนึ่งในพระเจ้าสอนเรื่องปรับฐานทางใจเอาไว้ ซึ่งก็หมายความว่าถ้าฐานใจเราดีพอเนี่ยอารมณ์มันจะเป็นยังไงก็คืออารมณ์เราคงไปแก้ไขอารมณ์ข้างนอกไม่ได้มันก็แก้ไขเฉพาะข้างในแม้แต่พระพุทธเจ้าของเราเองก็มีคนคัดค้านมีคนํำหนิมีคนดน่นดาว่ามีคนใส่ร้ายสารพัด45ปีนี้ไม่ใช่ราบเรียบเหมือนกรบปูดกริดดูลาบแต่ว่าก็มีหลุมบอ่อฝากหนามาหารทัภัยมากมายไกลก่อ เพียงแต่ว่าพระไทยของพระองค์มั่นคงสุดยอดทิ้งตกลงมามันก็ไม่สามารถจะซึมเข้าไปได้เดียวการที่เกิดเป็นรูปของสังโยชน์ที่ได้กล่าวมาโดยลำดับนั้นก็แสดงถึงพื้นฐานทางใจเราไม่มีความมั่นคงมากพอเวลากระทบอารมณ์ทางประสาสัมผัสี่รูปขังเสียงเป็นต้นก็อาจจะเกิด สังโยชน์ข้อใดข้อหนึ่งขึ้นในกรณีที่เกิดสังโยชน์ก็ทรงสอนรู้เห็นดำความเป็นจริงส ต, ติระลึกรู้ปัญญาวินิจฉัยตัดสินแล้วก็ใช้ส ต, ติสัมปัญญะความเพียรพยายามลดความรุนแรงของกิเลสเลาวนั้นแม้จะเกิดขึ้นก็อย่าตกค้างอยู่ภายในใจนานเกินไป จะเป็นสนิมใจเป็นมนชินใจเป็นฝุ่นเป็นตมเป็นละองทุลีต่างๆซึ่งแต่ละอย่างที่ทรงสแสดงไว้นั้นไม่น่าดูไม่น่าปรารถนาทั้งนั้นแต่บางครั้งอาจจะนำมาเหนียวนึกตรนึกนกระตุ่มบุนวายจนกลายเป็นภาพี่เรเหิน ที่เรียกว่าเปล่าฝุนทวนลมหรือคบเพลิงทวนลมทมน้ำลายรถฟ้าเป็นภาพที่เราเห็นได้ชัดว่าเราทำเองทั้งหมดความทุกข์ความเดือดร้อนเหล่านี้ไม่มีใครตามให้แต่เป็นสิ่งที่เราทำขึ้นมาเองจิตใจที่ตั้งไว้ผิดเป็นศัตรูต่อใจตัวเอง ภัยอันตรายต่างหลายนั้นที่จริงใครทําอะไรให้เราไม่ได้มา ก, กคนอื่นทําได้มากแค่ตายแต่นั้นแกฆ่าให้ตายแต่นั้นเองแต่จะทําทให้เราตกนรกก็ไม่ได้ตายเป็นเปรตก็ไม่ได้เป็นฆาตรกรก็ไม่ได้เป็นอะไรก็ไม่ได้แต่เราถึงเป็นดีๆจนถึงเป็นพระนั้นก็ไม่มีใครทําให้ทั้งดีและไม่ดีเป็นเรื่องที่บุคคลแต่ละคนกระทํา ของการใช้สติสมัมปจนยะความเพียรระลึกรู้อารมณ์ที่มากระทบในแต่ละขณะจึงเป็นอุบายยวิธีที่จะป้องกันในส่วนของกิเลส ม, มีการตรวจสอบดูสภาพของจิตมองเห็นอาการกิเลสชัดเจนก็เพียงพยายามลดละกิเลสเท่านั้นแล้วก็ช่วยให้มีการเพิ่มพูนรักษาส่วนแความดีงามให้เพิ่มขึ้น มันคงขึ้นภายในจิตใจต่อนนี้ปายก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสุขต่อไป